เออขอบรรดาญายโยนทั้งหลายฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานช่วคราวเออปิดละคุณได้ยังนะมปิดนานปิดแล้วสิครับฝนไม่ควรต้องฝนงไม่ต้องนนั่นแหละปิดละเออใจใหญ่ใจใหญ่เออการเจริญกรรมฐานยะยแรกญาโยไม่ต้องพนมมือเยอะนะนานไม่เมื่อย ตอนเจริญเป็นกนมาฐานอันดับแรกจริงๆทุกคนต้องการสมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจถ้าต่อไปขั้นสุดท้ายก็ใช้กำลังปัญญาที่เจริญนาในการตัดกิเลสแต่ว่าเริ่มต้นในการปฏิบัติอันดับแรกเข้บมาในญาติโยมพุทธบริษัททุกคน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะ น, นําไว้ในสมบมติการูตรทรงให้นักปฏิบัติทุกคนก่อนจะภาวนาก่อนทําอะไรทั้งหมดตั้งใจงทรงมีหารสีคือว่าให้แผ่เมตตาไปนักจักรวาลทั้งปวงหมายความว่าเรามีความรู้สึกเป็โลกดีทั้งโลกจะมีคนอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีสัตว์อย่ที่ไหนก็ตาม เราคิดว่าเราเป็นมิตรที่ดีของคนละศัตรูทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะไม่มีเวรมีภัยกับใครยานี้จิตใจก็เยือกเย็นรายการทีสองเราจะสงสารคนละศัทรูทั้งโลกถ้าหากว่าเขามีทุกข์ถ้าไม่เกินมิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยให้เป็นสุขและรายการที่สาม เราจะไม่ฉาดิศยาไข่ถึงไข่ได้ดีพอยินดีด้วยอะการนีสี่ 4, สิ่งใดก็ตามถ้าเกินวิสัยของเราจิตใจว่าเราจะไม่ดิ้นรนเราจะวางเฉยเพราไม่เกินวิสัยตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรให้แนะนำว่าอันดับแรกต้องทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็อารมณ์แบบประเภทนี้ให้ส่งทั้งวัน ถ้าทรงอารมณ์พุมิหารสีได้ทั้งวันทุกคนก็มีสินบริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาคือคือพัฒนายาได้ปัญญาก็แจ่มใสหลังจากนั้นไปองค์ท่าจประจอมใรให้ทุกคนชำระสิ น, นสินอันดับแรกของมนุษย์ก็คือสินห้าเราจะรักษาสินห้าก็ดี กรรมบทญิก็ดีและสินแปก็ตามและสิสอง้อยเจ็ดสเจ็ดสมัคระคำว่าชำระก็คือไถ่ถวนว่าสิ่งเรามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเว้นเราจะพยายามเว้นตามข้อเว้นทุกข้อจะไม่ทำอารมณ์ด่างพร้อยบกกร่องในสีนต่อจากนั้นไปก่อนภาวนาก็านึกถึงนิวรณห้าประการ พระนิวร์ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังเพรการจริยนกรรมฐ า, านนั้นต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าไร้ปัญญาก็อย่างเดียวศีลและสมาธิก็ทรงตัวไม่ได้แต่ว่าขณะใดท่า น, นิว ร, รณ์ห้าบริการครอบคุมใจเวลานั้นใจของเราจะเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าไรปัญญาทุกอย่างจะไม่ปรากฏสมาธิยังไม่เกิดขึ้นในอันเป็นหลักแรกนิวรห้าราการก็คือหนึ่งความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ท่าเรียกนิวรณที่แปลว่า กิรลยาพิษัมปัญญาให้ถอยหลังฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจงระมัดระวังอย่าใดิบโอนเข้าม่ควรใจและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไกรก็ทรงแนะนำว่าจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก หลังจากนั้นก็จะภาวนาและพิจารณาตามปติยาใส่ในเบื้องต้นของการเจริญกรรมฐานทุกคนเราปฏิจะใจอย่างนี้นะถ้าทําใจเบื้องต้นได้ทุกอย่างที่เราต้องการมันก็สำเร็จผลแต่นี้สําหรับวันนี้ในตอนต้นญาติโยมพระธบรมชัททั้งหลายยศขอแนะนํากรรมฐานทั่วไปเป็นการศึกษาก่อน ในตอนท้ายในการแนะนําจะได้พูดแนะนําในการมโนการฝึกมโนยิทธิแต่กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หนักใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะบางท่านคิดมีอย่างนั้นโดยเฉพาะมีอย่างนี้โดยเพราะอนั่นไม่ใช่จริงๆแล้วกองใหญ่ที่มีความสําคัญมากมีสี่สิบกอง สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงกองของกสิณที่เรียกว่าอาโปกสิณคําว่าอาโปคือน้อาําอาริสงก็อาโปกสิณในด้านฤทธ์ก็ทําของแข็งให้เป็นของอ่อนที่ไหนมีความแรงต้องการในฝนตกก็บรร ด, ดานในฝนตกได้แต่ท้าว่ากาสิณในในพระกรรมฐานจริงๆ เขาไม่ใช่กันในด้านฤทธิ์เว้นไว้แต่กรณีวรณีที่จาเป็นอย่างสมมติว่าเราไปอยู่บนยอดเขาและอยู่ที่ดอนกันดานน้ำบางเอิญไม่มีน้ำอาบไม่มีน้ำกินก็ใช้กำลังเขาอาบโูรกสินช่วยบรรดาเนี่มีมีบ่อน้ำบรรดานใน้มีน้าอาบบรรดาเนีมีน้ำกิ น, น, นอันนี้ได้ หรือว่าถ้าอะไรก็ตามมันแข็งเกิกนนุ้ยสกดธรรมดาที่เราจะทำให้มันอ่อนได้เราต้องการให้มันอ่อนแต่ไม่มีทาไม่มีเครื่องมือทำให้อ่อนหรือว่าของแข็งที่มีความเป็นจําเป็นต้องเจาะแต่เราเครื่องมือเจาะไม่มีอันนี้หมายว่าหาไม่ได้นะก็ใช้กําลังข้าวโพดสิงทําให้สิ่งนั้นอ่อนแล้วก็เจาะง่ายหรือว่าสสานที่ใดเท่าผลไม่ตกเราต้องการผลมันร้อนจัด ก็ต้องมาขอห้อยต้นบรรดาในฝนตเกเฉพาะในขอบเขตไม่ใช่ทั่วไปอันนี้ทําได้แต่นี้มาว่ากันทั้งวิธีปฏิบัติของอาปโปกสิงก่อนคําว่าอาปโปคือน้ําเลือกคำขับคำภาวนาคำภาวนาใช้คำภาวนาว่าอาปโปกสินหนังคือคำาวนาว่าอาปโปกัสินหนังอาปโปกสินหนัง วิธีปฏิบัติจริงๆให้เอาน้ำใส่ขันใหญ่ๆเอามาตั้งเวทนาแล้วจะลืมตาดูน้ำพร้อมกันนั่นก็ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ว่าอย่ากันดับแรกอย่าลืมแผม่เมตตาไปตันจแต่กวาลทั้งปวงก่อนชาระศีลให้บริสุทธิ์ก่อนอันนี้มีความสงคัญแล้วพยายามไม่นึกถึงอีวอนห้าอย่าง หลังจากนั้นก็รู้ลมหายใจเข้าออกลืม ต, ตาดูน้ำจำภาพน้ำในขันให้ดีน้ำควรจะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่น้ำขุนถ้าน้ำขุนมีสีดินขึ้นมันจะปนทั้งอะปรกัะประทวีร่วมกันแต่นี่เราต้องการน้ำเฉยๆควรจัดน้ำให้ใสลืมตาได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตั้งใจจำน้ำให้ได้ นึกในใจว่าอาโปกสินังหลังจากนัก้นก็หลับตานึกถึงภาพน้ำรู้ลมให้ใจก็ออกด้วยนึกถึงภาพน้ำด้วยนึกใจใจก็ภาวนาว่าอาโปกสินังอย่างนี้เรื่อยๆไปถ้าบังเอิญภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาจำได้แล้วกว็หลับตานึกถึงภาพภาวนาว่าอาโปกสินัง สำหรับท่านที่ได้กระสินกองต้นๆ้นมาแล้วถึงขานศีให้ทํากระสินกองต้นก่อนถ้าเป็นของง่ายก็เราทำได้แล้วให้ใช้กระสินต่อกองต้นๆ้นเพื่อขนศีนก็จิตสบายแล้วก็ย้ายมาตามกองทุกๆุกกองที่ได้มาแล้วในที่สุดก็เข้าถึงอาโปกสินถ้าทําอย่างนี้พอจะพาโปรกระสินอันดับแรก ก็จะเป็นสีน้ําตาปกติที่เรียกว่าโอกาสนิมิตต์เป็ น, นมิตเบื้องตนต่อไปสักประเดี๋ยวเดียวมิตจากโอกาสนิมิตจะจำใสชัดเจนหนักขึ้นจิตเห็นภาพชัดมากขึ้นเราสามารถจะบรรดาในภาพที่อยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้อยู่สูงก็ได้อยู่ตามก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้อยู่ขว า, ขาก็ได้ทาอย่างนี้ให้คล่อง ให้จิตเมรมชินพอจิตเมรมชินแล้วตั้งภาพกระสินไว้ข้างหน้าคือดันดานนึกว่าขอภาพกระสินจงลอยอยู่ข้างหนา้าถ้าภาพกระสินลอยอยู่ข้างหนา้าแล้วก็แล้วก็เพ่งภาพไปใจนึกถึงภาพเพ่งภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปภาพที่นีกกระสินคืออาปโปกระสินก็เหมือนกระสินกองอื่นเหมือนกันจะค่ อ, อยๆกลายจากสีน้ำเดิม ค่อยๆไปสีเหลืองน้อยๆแล้วก็จะเหลืองขึ้นตามลําดับในที่สุดจะเหลืองเหลืองเต็มอัตราเ <c oughs> มื่อเหลืองเต็มอัตราได้เดียวก็ค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยคลายจากสีเหลืองเป็นขาวน้อยๆขาวเหมือนสีขาวไอ้ที่พูดเนี่ยมันไปเดี๋ยวเดๆนะแ้าทําอาจจะเป็นเดือนค่อยกลายขาวไปขาวไปขาวไปที่สุดจึงขาวเต็มดวงก๊าซิน แต่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ภาพกสิณไม่เ ว, ว่าทรงตัวได้นานถ้าเวลานั้นอาจจะเป็นสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างแซ่บถึงสามสิบนาทีบ้างจริงจะขึ้นไปอย่างนี้คือว่าเป็นโอกาสที่มิตรเจตมาตรานี่ถ้าจะถามว่ากสิณที่เป็นทิจิกุญานเขาใช่เฉพาะเตจอกสิณหรือว่าหรือว่าอาโลกสิณโลโ อ, โอ โอทาเตอร์สินสามอย่างถ้าบะเอิญเราใช้กระสินน้ำคืออาโปกสินถ้าเต็มกําลังของอุอปจาตรสมาธิเพรากําลังเขากรสินเข้าอุปจาตรสมาธินี่สามารถใช้กําลังกระสินเป็นทิฏฐิภูยาณได้แต่อยาถามว่าในเมื่อกรสินอยู่นอกขอบเขตด้วทิฏฐิภูยานจะใช้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าใช้ได้มันสําคัญที่จิต แต่ว่าสภาพความแจ่มใสจะไม่เหมือนกับสินเฉพาะแต่ก็เห็นเห็นชัดเจนไม่กันแต่ผ่องใสไม่เท่ากันถ้าตอนนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ใช้ทิพขุญญาณด้วยกาลังของกสินจะเป็น เ, เป็นภาพที่มันคงมากเมื่อทรงกสินทรงตัวดีแล้วก็อธิษฐานว่าขอภาพกสินจงหายไปขอภาพที่เราต้องการจงปรากฏขึ้นภาพอะไรก็ได้ จะภาพเมืองสว่างก็ได้เมืองพ ร, รมโลกก็ได้เนื้วจะต้องการรู้จากเทวดานางฟ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ต้องการดูนรกก็ได้ต้องดูคนตายที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ได้เหมือนกันหมดทุกอย่างภาพกระสินก็จะหายไปภาพแังก็จะปรากฏขึ้นแันที่หากว่าต่อไปถ้าเรายังไม่ยับยั้งแค่นี้เราก็ใช้กาลังกรสินเพ่งกระสินต่อไป ต่อไปก็ษินจะเข้าเวลาอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อไปจิตก็เริ่มเข้าถึงฌานจะมาบัตเอ่อฌานสมาบัตถถ้าเราใช้กรรมฐานอย่างอื่นเราสังเกตยากเกศินเกวเองกรรมฐานกรมนนกรมฐานยากมีนิมิตแต่ขึ้นเป็นที่ดูแล้วก็ชันิจาภาพเกษินดูภาพเกษินเลยไปภาวนาเลยไปภาคเกษินถ้าจิตเข้าถึงฌาน จะค่อยๆกลายจากสีขาวเป็นแก้วเรนน้อยเระน้อยระน้อยในที่สุดถ้าถึงทางสีจะเป็นแก้วทั้งดวงจะเป็นแก้วที่ใสสะอาดมากถ้าถ้าจะถึงทางสีต้อยถึงนาสกเกตตามนี้ถ้าขนาดใดจิตจับผ้ากระสินเด่นชัดเป็นแก้วแพรวปลปาเป็นยับสวยสด ง, งามมากจิตมีการทรงตัวไม่เคลื่อนไหว และเวลานั้นไม่รู้สึกว่าเราให้ใจเวลานั้นเป็นฌานสี่เมื่อจิตเข้าในงฌานสี่กสิ้นต้องเล่นฌานสีให้คล่องทำให้คล่องจริงๆเมื่อใช้ก็สินในฌานสีคล่องตัวแล้วต่อไปถ้าจะใช้เรื่องนี้ก็จะอธิษฐานอย่างละเอียดดิบดินม็ดก้อนหนึ่งดินมังแข็งตั้งจิตก็ถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานว่าขอดินนี้จงอ่อน จะให้อ่อนขนาดไหนก็อนเกไวขนาดนั้นถ้าต่อไปก็ทําจิตเข้าถึงฌานสี่ให้ตั้งอยู่ไปเดียวหนึ่งถอยหลังจากฌานสี่ไปถึงอุปจารสมาธิจับดินก้อนนั้นที่แข็งหยู่ดินจะอ่อนของอื่นก็เหมือนกันมันจะเหล็กหินก็เหมือนกันโดยความว่าเป็นการแนะนําเพื่อเข้าใจว่ากรรมฐานกองอื่นยังมีอยู่อันนี้เป็นกระสินนะสำหรับกระสินนี่ก็เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณ ถ้าการจะใช้วิทยาญาณก็ต้องใช้สมาธิที่เป็นชานสมบัติเข้าควบคู่กับจิตกับปัญญาปัญญาจึงจะมีกำลังปักิเลสต่อนนี้ไปก็จะขอแนะนาบรรดาแนพระตบิษัทในได้ของมโนยิทธิเวลาใกล้เข้ามาแล้วคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีลิทางใจการที่มีลิทางใจก็หมายความว่าเราจะไปสวรรค์ เราจะไปพรมโลกถ้งว่าถ้าจิตสะอาดที่สุดราจะไปเกลเข้าที่ผ่านไปดูนรกดูเปรต ด, ดูสุรกายดูสัตว์ฉันและไปจกักรวาลไหนก็ได้ทั้งหมดเราใช้กําลังใจไปอย่างเดียวคําว่าใจนี่ไม่ใช่ดวงจะนึกว่าจิตเป็นดวงใสๆคล้า ย, ายดาวอันนี้ไม่ถูกคําว่าใจเป็นสัตว์หนังสือถ้าศัพท์การปฏิบัติต้องเรียกว่าอทิศสมาในากาย คำว่าทิศมาลัยกายจะหมายความกายที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตานเนื้อแต่ว่ากายนี้ที่เราเคยนอนฝันฝันว่าเราไปโน่นเราไปานี่แต่ก่อนยงร่างกายมันนอนอยู่คําว่าทิศมาลักายคือกายตัวนี้โปกติเราไม่เห็นมันในวิธีปฏิบัติอันดับแรกเขาบรรดาเต็มพุทธเบญสัตยให้กําหนดรู้เราไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเวลาที่ให้ใจเข้าภาวนาตาบรนณะมะให้ใจออกนึกตามพะพระธรรมนาน h i s ใช้นึกไม่ต้องออกเสียงจะเลย่อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาให้ใจเข้านึกตาบรนณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพะพระธร เนื่อการหายใจเข้าหายใจออกของบรนดาญาโยมพระตบษัตยพระทุกองค์ตรวทราบว่าจงอยาบังคับลมหายใจร่างกายจะให้ใจเบาหรือใจแรงก็ให้ปล่อยไปเรื่อยเขาร่างกายเพียงแค่เอาจิตของเราเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือเวลานี้หายใจออกถ้าขณะนั้นเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็เชื่อว่าเรามีสมาธิในนาตานุสติ ถ้า ร, ารู้คำภาวนาด้วยก็ถือว่ามีสมาธิทั้งสองอย่างทั้งควาสมาธิทั้งตรงใจเข้าไปออกและภาวน า, าการที่ภาวนาแบบนี้ผู้แนะนําจะให้ทุกคนภาวนาประมาณสิบนาทีความจริงมโนยิธิก็กคือเกษินนั่นเองเป็นเกษีนด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยเพราะว่าเวลาปฏิบัติจริงๆให้ทุกคนนึกถึงภาพพระพุทธเจา้า ถ้านึกถึงภาพพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่รู้จักก็นึกถึงเพื่อภาพวัตถุรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้ใช้ได้ถ้าเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปเราเห็นภาพพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธคานุสติแต่ภาพที่เห็นนั่นเป็นกรสินถ้าเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปสีเหลืองอันนี้เป็นปิตากะสินถ้าพระพุทธรูปสีขาวเป็นโอทาตะสินถ้าพระพุทธรูปสีใสเป็นแก้วใสเป็นอาโลกะสิน รวมว่าเป็นเกสินด้วยเป็นพุท ธ, ธานุสติด้วยได้กําไรทำทีเดียวได้กรรมฐานสามอย่างคืออนาปานุสติด้วยพุท ธ, ธานุสติด้วยแล้วก็เกสินด้วย <c oughs> ต่อไปใ น, นตังแครูผู้ฝึกก็จะให้บรรดาท่านผู้บริษัทภาวนาวันมะมาบัตระนึกถึงภาพพระพรูปพระเจา้าองค์ใดองค์หนึง่งก็ได้ตามที่จิตจะนึกได้เขาจะภาวนาอย่างนี้ประมาณสิบนาที หลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนำมีคนเข้าไปนั่งคณะแะนั่งกลางวงสามาโดยการก็ตั้งเป็นวงนั่งกลางวง <c oughs> ขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงและนั่งคณะใอ้ทราบว่าคนนั่งเขาจะเข้าไปช่วยฝึกให้เวลานั่งเขาวัรดาญาโยมบริษัททุกคนหยุดภาวนาจนเลิกไปเลยภาวนาไม่ต้องถ้าเวลามีคนเข้าไปนั่งกลางวงนะ ไม่ต้องภาวนาเลิกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสนใจแต่เราไมใ่ใจเข้าออกปล่อยใจแต่ว่าใจเราก็ไม่ได้ปล่อยไปเลยตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตักกิเลสเพื่อจิตสะอาจจากกิเลสถ้าจิตสะอาจจะกิเลสแล้วจิตจะเป็นทิศ <c oughs> เพราะว่าการฝึกวัณณยิทินี่ต้องได้ทิศกุยาญก่อน ตอนนี้ก็ขอแนะนําเรื่องทิพยานสักหน่อยหนึ่งคําว่าทิพย์จักรยานไม่เก็บแปรลูกตาเป็นทิพย์ถ้าลูกตาเป็นทิพย์เขาจะต้องเรียกทิพเนธ์คนที่จะมีทิพเนธ์ได้อย่างเรามีไม่ได้ต้องเทวดาหรือดาวฟ้าหรือผมร่างกายท่านถึงทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตายเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ต้องมีได้เพียงแค่ทิพย์จักรยานทิพย์จานนี่ก็หมายถึงใจเป็นทิพย์ ถ้าแปลาตามศัพท์ก็ถือว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิศนั่นก็หมายความของที่อยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ในหีบในหอ่ออยู่ที่กำบังถ้าเราต้องการจะรู้เรารู้ได้ทันทีด้วยกำลังของใจใจจะบอกความรู้สึกของใจจะบอกว่าด้านเป็นอะไรในนั้นมีอะไรเป็นต้นนั้นนี้ทิตหูยานที่บรรดาญาโยมพุทธวิษัทได้ยินได้ไม่เท่ากัน แต่ความจริงครูเขาไม่ได้ปิดบังแต่ว่ากำลังใจคอาญาติโยมสะอาดไม่เท่ากันถ้าญาติโยมที่มีกำลังใจสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพจิตเห็นแนตะ่ไม่ใช่ตาเห็นนะถ้าญาติโยมมีจิตสะอาดปลยกลางจิตมีความรู้สึกแต่จิตเห็นภาพไม่ชัดเจนถ้าหากบุคคลใดมีจิตสะอาดถึงที่สุด เวลานั้นจิตจะมีความรู้สึกเพราจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากทั้งนี้ถ้าเวลาฝึกใหม่ๆก็ไม่แน่ใจนักบางคนก็จิตสะอาด ท, ทันทีทันใดได้มีเยอะรวมความว่าถ้ายังมีความเป็นทิพย์ขนาดไหนก็ตามอันดับแรกให้เชื่ออารมณ์ของจิตถ้าความรู้สึกแรกปรากฏขึ้นให้เชื่ออารมณ์นั้น ท, ทันทีจะไม่ผิดนั่นคือความเป็นทิพย์ ถ้าสงสัยว่าใช่ไม่ใช่แน่หรือไม่แน่ตัวสงสัยไปกิเลสเป็นปนิวรณ์ถ้ามาแทรกก็จ ะ, ะเปไปหมดฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนให้ถืออารมณ์ควา ม, มรู้สึกเป็นสําคัญในเมื่อครูเขาแนะนําในการตากีเลสจิตของญาติโยมพุทธบริษัทฟังเขาแล้วเมื่อสนใจในธรรมะข้อตากีรติจิตใจก็จะมีความเพลิดเพลิน ในธรรมะเมื่อจิตมีความเพิดเพลินในธรรมะจิตก็ห่างจากกิเลสจิตกับกิเลสจะค่อยๆแยกกันทีละน้อยๆๆๆใน้อ ย, อ ย, อยเมื่อครูผู้เผยเกินว่าจิตสะอาดพอสมควรความมิติยยอมเกิดขึ้นกับบุคคลบางคนหรือหลายคนในถุนนั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าก็าถามถึงความรู้สึก ไม่จะถามทั้งตาเห็นตาจะหลับระหลับตาแ ล, ล้วเราเห็นไม่ได้ต้องเป็นจิตเห็นจิตเหน็นคือความรู้สึกถ้าบังเอิญมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวไม่ต้องกลัวผิดแล้วก็ถามว่าท่านนี้อยู่กันหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าท่านมานั่นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึก หลังจากนั้นเขาจพาบรรดาญาโยมพระตบริษัทว์แนะนาให้ไปพระจุลามุนีเจดียสถานอันเป็นสถานที่อยู่อันเป็สถานที่ประทับของพระทธเจ้าและพระอรหันที่นั่นเป็นที่นมัสการพระเทวดาทุกทมไปที่นั่นทุกคนจะพบตัวพทะเจ้าจะพบกรมทศเทวดาพบนางฟ้า พบความสวยสดงงามของวัจุลาโมนีเจรีสถานและความสวยสดงดงามของขบันชั้นดาวดึงเขาตั้งอยู่ชั้นดาวดึงถ้าไปที่นั่นพอสมควรแล้วก็าอาจจะแนะนําในการตากิจข้างหนึ่งก็ได้เพื่วความผองใสของจิตมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะแนะนําไปนิทานอันนี้กาปรปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่าเกงเป็นการได้กําไรบรรดาญาโยมพุะตบริสัท์ เราจะได้ทั้งพิทุยานเรนถีเ ท, เทเวดาด้วยได้จุตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ถ้าทำเคร่งนะรู้การเกิดขจะหมายความอะเห็นคน เ, เห็นสัตว์เราจะทราบได้ทันทีว่าคนและสัตว์ที่เราเห็นอยู่นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกมาจากเปรตจากสุนทราัยจากดุจฉันมาจากคนมาจากสวรรค์มาจากผมอันนี้เราได้ ได้ยิงชื่อคนตายทราบข่าวคนตายเรารู้ได้ทันทีว่าคนตายคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกขแ์แล้วก็ต่อไปก็ปกุบเพนิวาสารติยานสามารถรึกชาติได้แล้วก็เจโตริยานสามารถ ร, ร, รู้ความรู้สึกจิตใจทุกคนในสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความรู้สึกทางใจแบบไหน <c oughs> วันนี้หรือวันก่อนก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้เราจะรู้ได้ทันที หรือว่าความรู้สึกของเขาใจใจิตใจเขาเป็นยังไงเราสามารถจะรู้เหตุการณ์ในอดีต <c oughs> สิ่งที่รูม้มาแล้วอย่างประวัติศาสตร์ถ้าต้องการจะรู้เราก็รู้ได้เราต้องการจะรู้นอนาคตการต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างของเราของคนอื่นอย่างนี้ก็ได้ยะถากรรมตา ย, ยาน ปัจจุปนังสัญญาถ้าเราต้องการอยากจะทราบปัจจุบันเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขมีความทุกข์กเราครูได้และท้ายสุดยถากรรมตายานนีก็หมายความว่าบุคคลใดที่มีความสุขก็ดีมีความทุกข์ก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีความสุขและความทุกข์เกิดจากกฎของกรรมอะไรจากบุญหรืจากบาปอันนี้เราก็รู้ได้ในการฝุกแบบนี้ได้กําไรมาก แล้วก็บรรดาท่านที่ปฏิบัติได้แล้วครูพยาะแนะนำในการท่องเที่ยววันธพพมต่างๆอรบรันดาญายโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ก็บทเวลาแล้วขอทุกคนหันหันหลังไปทางพระหน้าทางพุทธรูปนะตั้งใจสมาทานสีนสมาทานกรรมฐาน